ความรู้จักแสดงฤทธิ์นิรมิตมโนไมยกายคือกายที่สำเร็จจักใจ มโนมยะมโนหม่แปล ว, ว่าสำเร็จจากใจอิทธิแปลกันวาริตตามสับแปล ว, ว่าความสำเร็จก็คือน้อมจิตไปเพื่อนิรมิต รูปที่สำเร็จจากใจคือนิรมิตกายอื่นจากกายนี้มีรูปที่สำเร็จจากใจมีอินทรีย์ที่สมบูรณ์ คือเหมือนมีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายและมีมรณะคือใจซึ่งเป็นอินทรีย์หกของกายใจบุคคลนี้ตัดเปรียบเหมือนอย่างว่า ทักไสออกจากยาปล้องและก็พิจารณาดูรู้ว่านี่เป็นไส้นี่เป็นยาปล้องหรือเปรียบเหมือนชักดาบออกจากฝักพิจา ร, รณาดูรู้จักว่า นี่เป็นดาบนี่เป็นฟัดหรือเปรียบเหมือนอย่างเดินงูออกจากคราบพิจารณาดูรู้จักว่านี่เป็นงูนี่เป็นคราบก็คือ นิรมิตหรือนํมานมนูไม่กายกายที่สาเร็จจากใจออกจากกายนี้ เหมือนอย่างคัใส่ยาปรองออกจากยาปรองเป็นต้นนั้นอันมโนไมากายนี้ไม่มีสรีระสันฐานเหมือนอย่างรู ป, ปรกาย ในเมืองไทยนี้ท่านภูปฏิบัติกรรมฐานและสนใจในวิชานี้ท่านตั้งชื่อเรียกว่ากายทิพย์ ส่วนกายธรรมดาซึ่งประกอบคนในธาตุดินน้ำไฟลมเรียกว่ากายเนื้อกายทิพนี้ก็คือมโนไมากายหรือวโนไมรูปซึ่ง ได้แสดงเอาไว้ในประวัติพระพุทธศาสนาว่าพระพุทธเจ้าโดยปกติเสด็จไปด้วยกายเนื้อแต่ในบางคราวเสด็จไปด้วยกายทิพย์หรือมนโนให ม, ม่กายนี้ ดังเช่นที่ได้มีแสดงไว้ว่าพระภิกษุบางรูปได้ออกปฏิบัติกรรมฐานในป่าหรือในเสนาสะนะป่า หรือในที่อันสงบสงัดเมื่อกระแสจิตของท่านได้ดําเนินไปในวิปัสสนากรรมฐาน แต่ว่าได้มีความจะงับงินอย่างใดอย่างหนึ่งก็ปรากฏว่าพระพุทธเจ้าได้เสด็จไปประทับอยู่ในที่เฉพาะนาทันและก็ได้ทรงแสดงธรรมะสั่งสอน แก้ไขข้อที่ติดขัดนั้นท่านเห็นพระพุทธเจ้าเสด็จไปโปรดได้ยินพระพุทธเจ้าทรงสแสดงธรรมะสั่งสอนแล้วก็เสด็จกลับท่านก็ดำเนิน ปฏิบัติต่อตามที่ตรัสแนะนำก็ได้บรรลุมรรคผลนิพพานมีแสดงไว้หลายเรื่องดังนี้และท่านแสดงว่าที่พระพุทธเจ้าเสด็จไปนั้นก็เสด็จไปด้วยมนโนไม่กาย หรือกายทิพนี้เองหลายครั้งหลายคราวมโนมัญจิทินี้เป็นวิชาที่สองอิทธิวิทยาน คือความรู้จักวิธีแสดงฤทธิ์ก็คือ น, น้อมจิตไปเพื่ออิที่วิธีแสดงฤทธิ์ด้วยวิธีต่างๆ ตามที่น้อมจิตไปว่าจะแสแดงวิธีไหนอย่างไรดังที่ท่านแสนแดงไว้เช่นคนเดียวเป็นมากคนหลายคนเป็นคนเดียวปรากฏตัวหายตัว เดินทะลุฝากำแพงภูเขาเหมือนอย่างเดินไปในที่ว่างดำดินโผล่ขึ้นเหมือนอย่างดำน้าโผล่ขึ้นดำนา้าเดินบนน้าเหมือนเดินบนแผ่นดินไปในอากาศได้เหมือนนอก ดังนี้เป็นตน้นตัดเปรียบไว้เหมือนอย่างช่างม่อหรือลูกศิษย์ของช่างม่อผู้ฉลาดเมื่อได้เตรียมดินไว้ดี ก็ปั้นาชนะดินต่างๆได้ตามต้องการหรือเหมือนอย่างช่างงาเตรียมนาไว้ดีก็แกะสลักนาเป็นเครื่องงาต่างๆได้ตามต้องการหรือเหมือนอย่างช่างทองหลอมทองดีก็ทําทองรูปประพันธ์ต่างๆได้ตามต้องการ อิทิวิิยานนี้เป็นวิชาที่สามทิพะโตญยานยานคือความอย่างรู้ด้วยทิพสโตหูทิพน้อมจิตไปเพื่อทิพะโตญยาน ก็ฟังเสียงได้สองอย่างคือเสียงคลิปหรือเสียงมนุษย์เสียงคลิปและเสียงมนุษย์ทั้งที่ไกลทั้งที่ไกลเหมือนอย่างคนเดินทางไกลได้ยินเสียงสังเสียงตับ ก็รู้ว่นนี้เป็นเสียงสังเสียงตะโพนในที่ไกลบ้างที่ไกลบ้างที่ผ่านไปทิปปโซตัยยานนี้เป็นวิชาที่สี่เจโตปริยายานความรู้จัก กำหนดใจของผู้อื่นได้คือน้อมจิตไปเพื่อเจโตปริยานก็กําหนดรู้ใจได้อ่านใจได้ที่ทนแสดงไว้ ก็ค e, ือจ affairs, ิตมีราคะก็รู้ว่าจิตมีราคะจิตปราศจากราคะก็รู้ว่าจิตปราศจากราคะจิตมีโทสะก็รู้ว่าจิตมีโทสะจิตปราศจากโทสะก็รู้ว่าจิตปราศจากโทสะจิตมีโมหะก็รู้ว่าจิตมีโมหะจิตปราศจากโมหะก็รู้ว่าจิตปราศจากโมหะ จิตหดหูก็รู้ว่าจิตหดหูจิตฟงก็รู้ว่าจิตฟงจิตถึงความเป็นใหญ่คือกว้างขวางก็รู้ว่าจิตถึงความเป็นใหญ่คือกว้างขวางจิตไม่ถึงความเป็นใหญ่คือกว้างขวางก็รู้ว่าจิตไม่ถึงความเป็นใหญ่คือกว้างขวาง จิตที่มีจิตอื่นยิ่งกว่าก็รู้ว่าจิตมีจิตอื่นยิ่งกว่าจิตที่ไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่าก็รู้ว่าจิตที่ไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่าหรือจิตที่มีความยิ่งก็รู้ว่าจิตที่มีความยิ่งจิตที่ไม่ยิ่งก็รู้ว่าจิตที่ไม่ยิ่ง จิตที่มีสมาธิก็รู้ว่าจิตมีสมาธิจิตที่ไม่มีสมาธิก <confiance S 1> <Living. S 2> ็จิตก็รู้ว่าจิตไม่มีสมาธิจิตวิมุตตคือหลุดพ้นก็ก็รู้ว่าจิตวิมุตต์หลุดพ้นจิตที่ไม่วิมุตตหลุดพ้นก็รู้ว่าจิตไม่วิมุตต์หลุดพ้นตเปรียบไว้ว่าเหมือนอย่างบุรุษสตรี สองดูเงาหน้าในแว่นส่องหรือกระจกเงาหรือในน้ำที่สะอาดก็จะเห็นหน้าของตนว่ามีตำหนิมีจุดไม่สะอาดหรือว่าไม่มีตำหนิสะอาด เจตปริย า, ยานนี้เป็นวิชาที่ห้าปุเพนิวาสานุสติยานทำรู้จักเลืกชาติหนหลังได้ตัดเปรียบไว้เหมือนอย่าง บุรุษคนหนึ่งที่ออกจากบ้านของตนไปเยี่ยมบ้านนั้นบ้านนี้แล้วก็กลับมาบ้านของตนก็รู้ลึกได้ว่าตนออกจากบ้านไปบ้านนั้น เดินยืนนั่งนอนพูดเป็นต้นอย่างนั้นอย่างนั้นออกจากบ้านนั้นไปบ้านโน้นก็ไปทําไปพูดอย่างนั้นอย่างนั้นออกจากบ้านโน้นก็กลับมาสู่บ้านของตน แเพนิวาสานุสติญาณนี้เป็นวิชาที่หกจุตตปปาตญาณความรู้จักจ ต, ติคือความเคลื่อนอุปบัติคือความเข้าถึงชาตันั้ น, น, นของสัตว์ทั้งหลายก็เป็นไปตามกรรมตัดเปรียบไว้เหมือนอย่างว่าบุรุษขึ้นไปสู่ประสาท ที่ตั้งอยู่ที่ถนนสามแพร่งมองลงมาก็เห็นหมู่มนุษย์หมู่คนเดินออกจากบ้านบ้างเดินเข้าบ้านบ้างนั่งอยู่ที่ทางสามแพร่งบ้างเดินไปตามถนนบ้าง ตัตประปาทยา น, นี้เป็นวิชาที่เจ็ดอาสวัคไหยานความรู้จักทำอาสวะให้สิน้นยานที่เป็นเหตุสิ้นไปอาสวะอกิเลส ท, ที่ดองกิตตสันดานทั้งหลาย รัดยบไว้เหมือนอย่างว่าบุรุษภูมิจักสุยืนอยู่ที่ริมสระน้ำที่ใสสะอาดก็มองเห็นก้อนกรวดหอยโคงเป็นต้น อยู่ในน้ำมองเห็นปลาว่ายไปไว่ายมาอยู่ในน้ำยานที่เป็นเหตุสิ้นอาสวะก็รู้เห็น เหตุเกิดทุกข์ความดับทุกข์ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์รู้เห็นอาสวะเหตุเกิดอาสวะความดับอาสวะทางปฏิบัติให้ถึงความดับอาสวะ เมื่อรู้เมื่อเห็นจิตก็พ้นจากอาสวะทั้งหลายไม่ยึดมันและเมื่อพ้นแล้วก็รู้ว่าพ้นแล้วสิ้นชาติแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้ว กิจที่พึงทำเรีกระทำแล้วไม่มีกิจอื่นที่จะพึงทำเช่นนี้อีกย่อรู้เห็นตามเป็นจริงเหมือนอย่างบุรุษที่ยืนอยู่ริมฝั่งสะมองเห็นก้อนหินห้อยโค่งเป็นต้นอยู่ในสะ มองเห็นปลาว่ายไปไว่ายไปไว่ายวไปไว่ายมาอยู่ในสระฉะนั้นอาสวัคคยายานนี้เป็นวิชาที่ครบแปดอันเป็นข้อสำคัญพระพุทธเจ้าทรงถึงพร้อมในวิชา ที่ตรัสแสดงไว้ก็คือวิชาสามวิชา 8, แปดละข้อสำคัญก็คืออาสวัคยอาสวัค ย, ยาญาติึึงโดยยานนี้จึงทรงเป็นพุทโธคือเป็นผู้ตรัสรู้แล้วยานคือความอย่างรู้ทั้งปวงนี้เป็นปัญญาเป็นวิชา จึงต้องอาศัยสติความระลึกได้และความรู้ระลึกก็คือระลึกรู้ในกายในเวทนาในจิตในธรรมสติปัฏฐานนี้เองเป็นตัวหลักใหญ่ ต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสตรและตั้งใจทงความสงบสืบ ต, ต่อไปบัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิต ในเบื้องตน้นก็ขอให้ทุกๆ ท, ท่านตั้งใจน อ, นอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัพทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและประสงค์เป็นสรณะ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 ด้วยวิชาและจรณะพระพุทธเจ้าได้ทรงเป็นวิทยาสัมปันโนครูถึงพร้อมในวิชาซึ่งได้แสดงอธิบายแล้วจึงจะแสดง เจรณะสัมปันโนภูถึงพร้อมด้วยจจรณะคำว่าจรณะนี้แปลกันว่าข้อปฏิบัติเครื่องดำเนินถึงวิชา ในอัมพัทธสูตรพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้เองเป็นสิบประการคือศีละสัมปทาถึงพร้อมด้วยศีลอินเียสังวร ความสำรวมอินทรีย์ถึงพร้อมด้วยสติสัมปชัญญะสันโดษเสพเสนาสะนะอันสงัดชำระกิจจากนิวร์ทั้งหลาย รวมเป็นหข้อและรูปประชานที่1รูปประชานที่สองรูปประชานที่3รูปประชานที่4อีกสข้อก็รวมเป็น10ประการหรือ10บข้อ ศีลและสัมปทาถึงพร้อมด้วยศีลได้ตรัสแสดงไว้สำหรับภิกษุก็คือถึงพร้อมโดยศีลอันได้แก่สํารวมในพระปาฏิโมกข์ถึงพร้อมด้วย อาจาระความประพฤติและโคจรคือที่เที่ยวมีปกติเห็นภายในโทษทั้งหลายแม้มีประมาณน้อยสมาธานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลาย และได้กัดแสดงศีลีละสัมปทาคือจุลศีลมัคิมศีลมหาศีลไว้อีกโดยพิสดาสรศีลนี้เป็นจารณะเครื่องดำเนินถึงวิชา เป็นข้อที่หนึ่งอินทรียสังวรความสำรวมอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ่นกายและมณะคือใจอันได้แก่มีสติรักษาตา ในขณะที่ประจวบกับรูปหูในขณะที่ประจวบกับเสียงจมกูกในขณะที่ประจวบกับกลิน่นลิ้นในขณะที่ประจวบกับรสกายในขณะที่ประจวบกับผลทัพะและมโนโ หรือมณะคือใจในขณะที่ประจบกับธรรมะคือเรื่องราวโดยมีสติรักษาไว้